ก็พอถึงเดือนสิบนี่ก็มาทำบุญโดยเพราะาผู้ที่ได้ล่วงรับไปแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนะเป็นเปรตเป็นเปรตอยู่นะเปรตนี่ก็คือนะผู้ที่ยังหิวโหยที่ไปดีไปสุกติก็มีนะไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์แต่ว่าที่ตกหล่นนะเป็นเปรตนะก็มาขอส่วนบุญนะคนไทยเราก็เชื่อนะวันเดือนสิบนี่แหละนะที่จะมา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 ช่วยเหลือเกื้อเฟื้อติดตามตัวไปใครที่ทำบุญชาตินี้นะเมื่อตายไปแล้วเนี่ยบุญก็หนุนส่งนะให้ได้ไปเสวยสุขในภพหน้าแต่ว่าถ้าไม่ได้ทำบุญหรือว่าทำบ้างนะแต่ว่าทำชั่วมากกว่าบาปก็จะติดตามไปให้ไปเกิดในทุกตินะเหลวานรกบ้างนะอสุรกายบ้างเปรตบ้างเนี่ยคราวนี้จะได้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 เมื่อเราเมื่อเราตายไปแล้วนี่จะไม่ไปเป็นเปรตนะจะไม่ไปลงนรกนะา่าเพียงแต่ทําบุญอุทิศไปให้เปรตที่เป็นบาปบาปุดเท่านั้นนะเราก็ต้องดูแลตรวจตาตัวเราเองด้วยนะว่าได้ทําบุญมามากพอหรือยังเพราะว่าถ้าทําบุญน้อยทําบาปมากนี่ตายไปแล้วนี่ก็คงจะไปไม่ดีนะไปนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายหรือเป็นเดรัจฉานบ้างนี่เรียกว่าทุกขติภูมิัต้องถามตัว เ, เองว่า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 พวกเรานะทุกลมหายใจก็ต้องพยายามทาบุญทาความดีนะนักเรียนนี่เขาเรียนเอาคะแนนนะแต่พวกเราทำความดีเพื่อสร้างสมบุญกุศล น, นะถ้าเกิดมาไม่ว่าจะอายุสั้นหรืออายุยืนแต่ว่าไม่สะสมคุณงามความดีไว้เลยนะเวลาสอบนะเวลาสอบสอบครั้งสุดท้ายมันก็สอบตกนะคือไปนรกตอนตายนี่แหละนะเป็นช่วงเวลาที่ เรียกว่าสอบไล่หลายคนก็อยู่แบบนักเรียนที่ขี้เกียจนะไม่ตั้งใจเรียนนักเรียนที่เกลียดขี้เกียจคือไม่ตั้งใจเรียนส่วนคนที่ขี้เกียคือว่าไม่ตั้งใจทําความดีนะศีลก็ไม่สนนะทำแต่บาปนะไม่รู้จักช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นแถมยังเอาเปรียบเอาลักขโมยนะคนที่ชอบลักขโมยชอบคดโกงของส่วนรวมนะก็ทําลายเอามาเป็นของส่วนตัวเช่นโกงเงินของหลวงหรือว่า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 กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานก็มีตกนรกก็มีนะอันนี้เรียกว่าเทวดาตกสวรรค์ท่านตาใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะมันก็ไม่ปลอดภัยก็ต้องตั้งจิตถึงขั้นว่านี้ให้พ้นจากการเกิดนะ <c oughs> เกิดเป็นเทวดาก็ไม่เอา <c oughs> เกิดเป็นพรหมก็ไม่เอา <c oughs> เกิดเป็นเศรษฐี <c oughs> เป็นจกักรพรรดิก็ไม่เอานะ แต่มุ่งไปสู่การไม่เกิดเลยก็คือการเข้าถึงนิพพานพ้นจากวัตตาสงสารในสายวิการนี่มีมีข้าบดีเศรษฐีคนหนึ่งนะเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมมากนะชื่อว่าจิตตาข้าบดีเป็นคนที่ทำความดีทานศีลภาวนานะไม่ขาดเมื่อจะตายเนี่ยนะก็มีเทวดานะมามาบอกว่าเนี่ยท่านทำความดีมากเนี่ยก็ขอ้น้อมจิตนะไปเป็นพระจักกะพัฒนนะเพราะว่าท่านเนี่ย บุญที่ท่านทำเนี่ยนะสามารถทําให้ท่านเป็นจักรพัทได้จิตตะาบดีปฏิเสธนะบอกว่าเป็นฆาเป็นจักรพัทนะมันก็ต้องกลับมาเป็นจักรพัทมันก็ไม่เที่ยงนะเป็นแล้วก็ยังต้องตายต้องเจอท่านมุ่งนะท่านมุ่งอะไรท่านมุงนิพพานเลยนะมุ่งนิพพานก็คือไม่ต้องมากลับมาเกิดอีกมาเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นจักรพัทเกิดเป็นเศรษฐีมันก็ทุกข์ทั้งนั้นนะ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 สิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนะสำหรับการเกิดมเป็นมนุษย์นะสมัยที่หลวงปูด่ดูยังมีชีวิตอยู่นะหลวงปู่ดูพร้มปัญโยนยวัดสแกยุธยามีพระเนี่ยบวชแล้วจะสึกก่อนจะสึกก็มาขอพรขอน้ำมนต์จากหลวงปูด่ดูเพราะหลวงปู่ดูนี่ท่านเป็นเกจิอาจารย์มีคนนับถือนะพอๆกับหลว ง, งพ่อคูณสมัยเนี้นะท่านก็มาขอน้ำมนต์ขอพรอจากหลวงปูด่ดูหลวงปู่ท่านก็ให้นะลองที่หลวงปู่พร้อมน้ำมนต์เนี่ยพาลูกนั้นก็อธิษฐานในใจนะ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 แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะนะไปให้เหนือนะเหนือสุขเนื้อทุกอย่างโลกโลก่งนะีก็คือเข้าถึงมรรพา น, นั่นแหละอันนั้นแหละจึงจะปลอดภัยไม่ต้องกลัวว่าต้องกลับมาเกิดเป็นเปรดอีกนะไม่ต้องกลัวว่าจต้องกลับมาลงนรกอีกนะแตว่าจะเข้าถึงนิพพานแล้วก็ต้องทําความดีนะทําความดีอย่างนี้ไม่พอต้องปฏิบัติธรรมเจริญภาวนานะ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 เรียว่าบรรลุความสําเร็จนะตามที่ตั้งใจไว้ตอนนั้นแหล ะ, ละหจึงที่เราปลอดภัยอย่างแท้จริงนะคือว่าไม่ต้องกลับมาเกิดในภพภูมิที่ตามอีกต่อไปไม่ต้องมาเจอทุกอีกต่อไปอาล้ก็นุมโมทนานะาญาติโยมพ่อแม่ออกที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้นะก็ขอให้ได้ไ ด, ได้รับมรสกแห่งความดีหรือบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญนะก็ขออ้างคือบุญกุศลพระศีรัตนตรยัยอำนวยอุผลให้ทุกท่านทุกคน ได้เจริญด้วยอายุวันนาะสุขาภล ะ, ระนะเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทำความดีให้ถึงพร้อมโดยทานศีลภาวนามีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์อุปสรรคทั้งปวงเข้าถึงเข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอาน